ท่านผู pros, ้ชมคะในช่วงสนทนาวันนี้นะคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระพรหมบัณฑิตนะคะกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะและเป็นอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าวาดวัดประยโรอ์สาวาทด้วยนะคะเมตตามาสนทนาธรรมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนะคะก็จะขอความรู้ท่านเจ้าคุณนะคะเพราะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะที่มาของวันสงกรานต์ี้มีที่มาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเพราะเห็นหลายประเทศก็จัด สงกรานกันด้วยนะเจ้าค่ะคือคือสงกรานในแปลว่าเคลื่อนย้ายานะเราก็เลยเห็นการเคลื่อนย้ายของคนจํานวนมากนะจากเมืองกรุงไปต่างจังหวัดเนี่ยไปบ้านเกิดตัวเองแต่ที่จริงในความหมายของสงกรานหมายถึงพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายในรอบปีเนี่ยจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุกทุกเดือนเนี่ยสิเดือนมันเคลื่อนย้ายตลอดราศีกลุ่มราศีมีนราศีเมษ แต่ว่าพอเคลื่อนย้ายในช่วงที่มันเปลี่ยนสักราชเนี่ยเขาเรียกมหาสงกรานเพราะเคลื่อนย้ายในช่วงเดือนเมษายนวันที่13 1สามเนี่ยพระอาทิตย์ก็เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเขาเรียกมหาสงกรานเพราะเคลื่อนย้ายแล้วมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนสักราชเปลี่ยนปีเหมือนกับเริ่มปีใหม่แบบโบราณส่นี้คําว่าสักราชะเนี่ยทุกวันนี้เราชินกับพุทธศักราช ชินกับคริสักราชแต่ศักราชที่ว่าเนี่ยเป็นจุลศักราชเป็นการเปลี่ยนจุลศักราชทีนี้จุลศักราชเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เป็นที่เป็นสกราชสากลในสมัยโบราณนะไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยในพม่าลังกาเขาก็ใช้ลาวลาวกัมพูชารวมถึงอินเดียบางส่วนในสมัยโบราณเนี่ย เขามีมหาศักราชก่อนมหาศักราชนี่เป็นการนับปีตั้งแต่พระเจ้ากนิษกะครองราชในปีพศนะ621 mm hmm. อะก็เกือบ 2,000 ปีมาแล้วมหาศักราชก็เรียกสกราชใหญ่ <Okay. S 1> คนในอินเดียในรังกาในพมา่าในไทยเนี่ยก็ใช้มหาศักราชกันมาจนกระทั่งมาเปลี่ยนว่าเออในบรรดาพวกเรานี่มาเริ่มสกราชแบบฉบับของเราก็เลยเรียกว่าจุลักราช คือักสาราเล็กนะจะสกราราเล็กเริ่มในปีพศอ1181อ1181ถ้านับปัจจุบันก็พันจะเข้าเรียกว่าจอจุลสการาจอสอเนี่ย1ัน0อแดิบหละนานมากนานนะาทีนี้ในในช่วง 1,121 หนึ่งยเที่เริ่มจุลสการาเนี่ยยังไม่มีประเทศพามา่าเกาแก่กว่าการเก่าแก่กว่าประเทศพามา่พาพมา่าเนี่ยคอนับประเทศเขาเนี่ย ก่อนสุขโขทัย200ป <Okay. S 2> ีก็คื อ, อเขาไปเริ่มอาณาจักรพุกามประมาณตีซะว่าคิ้ง่ายๆเรียกกลมๆก็คือพศเนี่ยประมาณพันหกร้อแต่นี่สกราชเนี่ยหนึ่งันหนึ่งแปดเ็ดจุลศักราชเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในยุคทวาราวดียุคมอนมอนในพมา่านอนในไทยทวาราวดีเอาเป็นว่าจุลศักราชเนี่ยเป็นศักราช ร, ร่วมในดินแดนย่านนี mm hmm. ้เมื่อสงครามสองสมปีเนี่ยะจะมาไป บางมีงานไปที่ประเทศศรีลังกาพอถึงสนามบินคาราโบเนี่ยเขาเขาตั้งป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวนะนว่าแฮปปี<อ>้สงกรานติเนาไปตรงช่วงสงการานพอดีเป็ช่วงสงการานอย่างเราเนี่ยเราไปไปไปลังกาตอนนี้นะเราก็นึกว่าในมีแต่ไทยแต่พมาเท่านั้นนะที่มีเรื่องสองการานพอไปถึงไปถึงศรีลังกาเขาบอกแฮปปี้สงกรังสงกรานติแปลว่าสุขสันตวันสงการานก็เลยไปถามเขาว่า อ้วแล้วคุณมีสงกรารได้เลยอ้าวมีสิเราเรามีเรานับศักการะของเราเองเขาเรียกธรรมินหินดูธรรมินลังกาศักการะก็นับมาแต่โบราณแล้วก็วันปีใหม่เขากําหนดเลยวันที่ของศรีลังกาทุกวันนี้นะสิบสี่เมษายนอ๋อกำหนดเป็นวันตรงวันตรงสิบสี่เลยของเราสิบสามสิี่สิบห้าสิบห้าเป็นวันถลิมศกเป็นศักการะจุลศักการะเพราะฉะนั้นเมื่อถึง วันนี้เนี่ยคนคไทยแต่โบราณทั้งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาถือเป็นวันปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ไทยโบราณนะคือปีใหม่โบราณของในย่า น, นี้ทั้งหมดในอินเดียบางส่วนลังกามาจนถึงไทยจนถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ใก ล, ลนเียเป็นสากลทีเดียวนะครับเป็นสากลเขาที้เรีนถามท่านเจ้าคุณนะในเมื่อมีความเป็นสากลเช่นนี้สาระสําคัญในกิจกรรมน ะ, ะหรือว่าในความหมายที่ให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ เหมือนกันไหมจ๊ก็ทำเช่นไรในมหาสงกรานอย่างนี้คะคือที่สากรก่อนอย่างในลังกาในพมา่าเนี่ยน ะ, ะเขาเขาถือส อ, สองเรื่องน ะ, ะที่ยังไม่ก็คือว่าเมื่อถึงวันปีใหม่เนี่ยมันคือการสิ้นสุดปีเก่าเพราะฉะนั้นสิ้นสุดปีเก่าก็คือการหยุดนะแล้วก็เริ่มปีใหม่เป็นวันเริ่ม ถ้าภาษาภาษาอังกฤษเขาใช้คำง่ายๆ Stop and Start ารอปแอนด์สตาร์ทสต็อก็คือหยุดอะไรที่ไม่ดีโชคร้ายอะไรเนี่ยหยุดเมื่อสิน้นปะีความไม่ดีทั้งหลายโชคร้ายทั้งหลายเนี่ยให้มันหมดไปกับปีเก่าและเริ่มชีวิตใหม่สตาร์ทแอนด์เริ่มชีวิตใหม่อย่า ง, งในศี่นาการนี่ไปถามเขาเลยนะเขาธนาคารเขาเปิดครึ่งวันวันที่14ทําไมรู้ไหมเขาให้ไปแลกแบงก์ใหม่ <Spe cies> <อ>เป็นแรกธนบัตรใหม่เนี่ยนะ <c oughs> เอาไปใช้ในปีใหม่เพื่อจะได้เกิดสิริมงคลเสื้อผ้าใหม่เพราะฉะนั้นมันคนไทยพอเสื้อผ้าใหม่ก็เป็น ล, ลวดลายอย่างนี้ไงมันก็ใช้เฉพาะวันสงกราน <c oughs> ใช่ <neighborhood> ไหมใช่ลายดอกลายดอกเพราะว่าที่แสดงว่าอะไรเป็นผ้าใหม่ใช้ในวันสงกรานสรุปแม้กระทั่งเขาก็ใช้ข้าวใหม่แล้วในเวลาในบางประเทศเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าใหม่อย่างเราของใหม่สิ่งใหม่ ยกเว้นแต่คู่ครองเ น, ะนาะ น, นี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้เรื่องใหญ่แ ม, ม้แคนก็จะถามสต่ทีมันเป็นเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ ค, คือคือเริ่มแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยจะเาขาเรียกว่า เ, าเริ่มเปิดกิจการใหม่เขาจะเปิดวันวันปีใหม่เลยเนี่แหละ น, น, นี่ก็คือสิ่งที่เริ่มสิ่งที่ดีใหม่ๆในชีวิตรวมถึงหยุดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี่แหละก็คือหลักทั่วไปในในการถึงวันสงกรานต์เพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาสิว่า ในในปีเก่าที่ผ่านมาเราควรจะทบทวนชีวิตงบดุลที่มันไม่ดีที่มันขาดดุลเนี่ยอะไรที่เราควรจะละเสียแล้วเราจะเริ่มใหม่มันก็เหมือนกับอธิษฐานจิตแล้วปีใหม่เนี่ยเราจะเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างไรไปอบไปส่งน้ำพระขอพร เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรอันนี้เป็นหลัก ท, ทั่วไปก่อนทีนี้มันก็จะมาถึงว่าแล้วในประเทศไทยเราทําอะไรกันเราไปวัดไปทําอะไรกันด้วยใช่ใชค่ะเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเราเองก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญมากๆทั้งประเทศร่วมเฉลิมฉลองนะแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความสนุกอย่างเดียวเราต้องการความเป็นสิริมงคลความสุขให้บังเกิดด้วยถ้าเจ้าคุณอยากแนะนําอย่างไรบ้างเจ้าคะคือ เวลาที่เราดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยมันจะมีศูนย์รวมของชุมชนคือวัด <Okay. S 1> กิจกรรมของวัดเนี่ยก็จะมาสอดคล้องกับปีใหม่ซึ่งคนไทยเนี่ยในในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับไปสู่หมู่บ้านที่เดิมเคยอยูอ่แล้วก็ไปทำกิจกรรมไม่ใช่เพียงแต่ ฉลองกันสนุกสนานอย่างเดียวก็จะเป็นวันที่เรียกว่ากลับไปสู่ครอบครัววันแห่งความกระตันยูวันผู้สูงอายุต่างๆมันรวมอยู่ในนี้โดยหลักก็คือกิจกรรมจะอยู่ที่วัดเป็นที่เรามีสงน้ําพระมีก่อเจดีย์ทรายเนี่ยโดยหลักแล้ว อ, อ, อยู่ที่คําว่ากระตันญูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณเพราะว่าเมื่อเราจะเริ่มต้นชีวิตชีวิตที่ผ่านมาที่เราได้ดีมีสุข เพราะใครอย่างไรเราก็มีความรู้คนของท่านและเราจะเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันกับใครอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเราพี่อย่างนาเป็นสามส่วนนะคือกลับไปบ้านเดิมเนี่ยท่านที่ร่วงรับไปแล้วที่มีบุญคุณเราก็ทำบุญอถิธรรมบุญดํมุรวมญาติมาให้บรรพบุรุษไงแล้วกระตันยูแต่ท่านที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็ ผู้ใหญ่ที่ยังอยู่เราก็ไปรดน้ําดําหัวไปส่งน้ําพระแล้วก็พาลูกพาหลานเข้าวัดเนี่ยส่ทงทอดต่อไปอยังรุ่นต่อต่อไปเข้าวัดก่อเจดีทรายทำกิจกรรมทั้งหลายให้เกิดความผูกพันในครอบครัวมันจึงเป็นเรื่องของความผูกพันในครอบครัวบวกกับคุณค่าทงางศาสนาด้วยและเราก็ฉลองกันอย่างมีคุณค่าโดยคํานึงถึงน้ำใจเพราะวันสงการเนี่ยมันเป็นการเป็นการเคลื่อนเป็นการย้ายก็จริงแต่ว่า ในขณะเดียวกันเรานึกถึงว่าการข้ามพ้นสิ่งที่มีดีมาสู่ที่ดีสิ่งที่สําคัญทําไม ไ, มไร้เลวันครอบครัวเพราะคนเราเนี่ยมีความสุขอยู่ไม่ได้ด้วยตามลําพังนะเพราะว่ามีมือ ม, มีพุทธพจน์บอกว่าปียันจะอ น, นุปานามิเมื่อมีข้าวน้ําบริบูรเรานึกถึงคนอันเป็นที่รัก เ<ช>พราะฉะนั้นเมื่อเราได้ดีมีสุขเนี่ยเราก็าอยากจะไปร่วมกิจกรรมไปทานอาหารร่วมกันไปฉลองร่วมกันไม่มีใครฉลองปีใหม่จุดเทียนแล้วเอาเค้กมานั่งทานอยู่คนเดียวมันไม่สุขสัน <c oughs> ไม่สุขสันตวันปีใหม่หรอกการสุขสันต์นี่มันก็คือการที่เรามีกัลยาณมิตรสุขร่วมกันสมาชิก<ม>ในครอบครัวกัลยาณมิตรคือคนที่รู้ใจสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลง เ ร, เราอยากจะให้มีความสุขมากในวันวันปีใหม่แบบไทยเนี่ยมันจะต้องมีกระยาดมิรมีเพื่อนมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมฉลองมันเพิ่มความสุขเพราะเราไปให้ความสุขแก่เขาเราก็มีความสุขเป็นหลายเท่า<ช>เรามีความเศร้าวความทุกข์ได้พบคนได้ระบายได้แบ่งเบาความทุกข์เนี่ยการที่สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมที่วัดเนี่ยมันคือรักษาคุณค่าแห่งความสามคัคคีและสร้างความสุขค่ ะ, คะ เดินถามท่านทุกคุนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ า, าถ้าเกิดว่าเราฉลองกับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้จักหลายท่านอาจจะมองว่าในโลกออนไลน์ก็ได้ปัจจุบันมีแบบนี้อย่างเช่นมีการ อ, อวยพรการวันเกิดบ้างวอวยพรวันปีใหม่ต่างๆต่างกันไหมคะ อ, ออนไลน์เนี่ยนะมันมันใช้เครื่องจักรน ะ, ะใช้โทรศัพท์ใช้ iPad iPhone แม้กระทั่งโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นเครื่องจักร เครื่องจักรมันไม่ได้มีชีวิตชีวามันไม่ได้สามารถสื่อความรู้สึกที่แท้จริงมันต้องพบกันมันต้องร่วมกันเพราะฉะนั้น เ, เราเราจะสอนคุณความดีให้กับเด็กถ่ายทอดในเรื่องความกระตัญยูเนี่ยเราก็ให้เขาดูจากออนไลน์อย่างี้นะถามว่าเด็กเขาจะประทับใจจะทราบซึ่งไหมมันจะต้องพ่อแม่ปู่ ย, าย่า ปู่ยาตายายสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นไปเห็นวิถีชีวิตเขาเราอาจจะสอนผ่านเครื่องจกักรแต่มันไม่มีผลมันไม่พมีผลฮะไม่เกิดแรงบันดาลใจมันไม่ไม่เกิดวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันมันอาจจะในเรื่องวิชาการทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราสามารถสอนออนไลน์ได้หมดน ะ, ะ, ะวิชาการทั้งหลายมันขึ้นเว็บขึ้นอะไรหมดแต่สิ่งที่เราสอนกันไม่ได้ผ่านออนไลน์ผ่านเครื่องจกักรพันอะไรต่งนางๆเนี่ย<ม>ก็คือเรื่องคุณค่าทางจิตใจ เรื่องคุณงามความดีเรื่องการถ่ายทอดสุนทรียะทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีการพบปะมีการติดตามมีการมองเห็นมันเพื่อทำให้เกิดการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลเพราะฉะนั้นพ่อแม่อย่าไปทิ้งลูกไว้กับโทรทัศน์กับออนไลน์มันจะไม่สามารถถ่ายทอดคุณธรรมความดีจากครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปยัอยังอีกรุ่นหนึ่ง เพราะฉะนั้นสงการยังไงก็ตามคนก็จะต้องมาพบปากมายืนยันในคุณค่าแห่งความดีของตระกูลของครอบครัวต่อกันไปวัดไม่ใช่ว่าเ อ, อไม่ต้องไปเรานะฝากไปทําบุญอะไรไปไปฟังเทศฟังธรรมไปร่วมกิจกรรมไปทำไมจะต้องไปก่อเจดีก่อกองเจดีทรายเนี่ยก็เพราะว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราเข้าวัดเนี่ยนะคนโบราณเขถือว่าไปเหยียบสายในวัดเนี่ยออกไปนอกวัดนึ็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้อง มาตอบแทนเอาเอาเอามาคืนเนี่ยนะเขาเรียกเดี๋ยวบ้าบเดี๋ยวตไปนะใ <c oughs> จ่ายจ่ายนี่สง <c oughs> เอาซรายมาคืนวัดอย่างนี้แหละ <c oughs> มันเหมือนกับมีการคำนึงถึงคุณค่าที่เราได้ที่เราอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันฉ <c oughs> ะนั้นใครที่คิดจะส่งน้ำออนไลน์นะคะก็ <c oughs> อย่าได้ทําเช่นนั้นนะคุณพ่อคุณแม่ยังอยากเจอพวกเราอยู่นะคะเขานี้เล็งถามท่านเจ้าคุณนะเนื่องในวันปีใหม่พวกเราก็ปรารถนาสิ่งดีๆนะฮะหลายคนบอกตามหลักพระพุทธศาสนามีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เราเกิดความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางคนบอกเรียกโชคเรียกลาบให้มาหายธุรกิจเจริญก้าวหน้าขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะมีไหมเจ้าค่ะคือคือเอาเนื่องเนื่องจากว่าในในวันปีใหม่เนี่ย เแบบไม่ว่าจะแบบไทยหรือแบบสากลมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคือปกตินี่เราก็ทำบุญอยู่แล้วเอาในส่งขอบุญมันก็ช่วยเราวันไหนก็ทําดีวันไหนมันก็ได้อานิสงวันนั้นแต่เขาบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยวันที่มีที่ผลต่อความเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันจะมีอยู่สองวันหนึ่งก็คือวันเกิดเราทําบุญวันเกิดอธิษฐานจิตชีวิตผ่านไปหนึ่งปีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะมามัวอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจจะกลับเลือกลับตัวจะทําความดีอะไรมันจะมีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของเราถ้าเราอธิษฐานจิตตัต้งใจดีๆแล้วอย่าอธิษฐานจริงีๆไปอธิษฐานต่อพระพุทธรูปไปไปที่วัดไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือหนึ่งวันในชีวิตขอ ง, ของในรอบปีอีกวันหนึ่งก็คือวันปีใหม่ปีใหม่นี่มันเหมือนกับเราตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเก่าๆไปแล้วเริ่มชีวิตใหม่เป็นศิริมงคลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตามศักราชที่ทั่วไปหรือ จะเป็นปีใหม่อย่างที่ของไทยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตถ้าเราไปร่วมพิธีการทางศาสนาไปอธิษฐานจิตไปขอพรจากสิ่สงทั้งหลายให้กําลังใจของเราให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีพลังพลังต่อชีวิตต่อจิตใจของเราให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบวกกับาการทําบุญทํากุศลที่หนุนนําส่งเนี่ยคือฉลองยังมีสติฉลองยังมีคุณค่าเอาธรรมะทางศาสนาเข้าไปชีวิตเราก็จะเคลื่อนไปสู่ เคลื่อนนะ<ม>เคลื่อนย้ายไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะอย่างบางคนบอกหลักธรรมข้อไหนทําให้ปลอดภัยพ้นสงกรารเดินทางไปกลับมาครบถ้วนเหมือนเดิมนะเพราะว่าได้ข่าวสถิติของอุบัติก็เกิดขึ้นสูงนะเจ้าค่ะนั้นคือสติไงธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมอยู่คําว่าสติสติแปลว่ารู้ทันปัจจุบันกําลังจะกําลังทําอะไรมองให้เห็นฟังให้ได้ยินทีนี้ถ้าเราขับรถเนี่ยมัวแต่คุยกันบ้างโ<ม>ทรศัพท์มือถือบ้างทะเลาะกันบ้างหรือ มีดื่มน้ําทําลายสติอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงทางโคง้งในที่สุดมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าเราฉลองกันอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเรื่องที่น่าเศร้าและก็จะลดอุบัติเหตุทั้งหลายเพราะเรามุ่งหวังความปลอดภัยเนี่ยไม่มีอะไรที่จะประกันความปลอดภัยได้เข้ากับการเดินทางทุกฝ่ายเนี่ยนะมีสติรู้ทันปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วมันก็จะนําไปสู่การระมัดระวังต่อมา อย่างการเดินทางเนี่ยแน่นอนถ้าไม่ประมาทเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะแต่ว่าเรื่องเรื่องของการใช้ชีวิตพอก้าวเข้าสู่ปีใหม่ละหลายคนก็จะรู้สึกว่าจะเอาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจดีแน่นอนเปลี่ยนแปลง เ, เปลี่ยนผ่านในช่วงจิตใจของเราเนี่ยตอนนี้พยายามตั้งมั่นแต่ระหว่างปีบางทีมันก็ไขว้เขวท้อแท้อย่าจะมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําสักหน่อยค่ะ ส, สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยบางที ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองน ะ, ะคิดถึงแต่เรื่องของเราเองอะไรเองเนี่ยมันบางทีเขาเรียกว่าใจมันน้อยนะพอใจน้อยเนี่ยกระทบอะไรเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงง่ายแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นคิดถึงส่วนรวมคิดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเรารวมถึงเป้าหมายในงานของเราเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะมีความอดทนเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่พอถ้าคิดเหมือนกับเห็นแกตัวมากเกินไปเนี่ยเราจะ บางทีเกิดปัญหาฉันไม่เอาและฉันปล่อยแล้ว<ฆ>แต่ถ้าเราคิดถึงลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนี่ยนะ<ฆ>คิดถึงคนอื่นไงเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องแม้กระทั่งคิดถึงประเทศชาติเพราะคิดถึงประเทศชาติ<ฆ>คิดถึงพระศาสนานี่ยเจอปัญหาเจอประสรกมันจะสู้นะ<ฆ><ฆ>เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใจของเราใ ห, ให้ใหญ่เอาไว้คําว่าใจใหญ่คือไงเหมือนแก้วน้ำเนี่ยนะ<ฆ>ถ้าเราแก้วน้ำเล็กเล็กเนี่ยเอาเกลือไปใส่แล้วดื่มมันจะเค็มแต่ถ้ามันเป็นโอ่งเอาเกลือไปใส่ มันละลายมันจาง <S <S คนเราที่เห็นแก่ตัวที่ใจแคบเนี่ยมันเหมือนแก้วน้ํามันนึกถึงแต่เรื่องตัวเองแต่พอเราคิดถึงคนอื่ น, นเรื่องสําคัญสําคัญส่วนรวมเนี่ยแม้จะมีปัญหามากระทบมันเรื่องนแรกพอเรานึกถึงเป้าหมาย <S <S เพราะฉะนั้นทุกคนมันจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทําความดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเราอยากจะมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมเราอยากจะทําประโยชน์แก่ครอบครัวจะเราจะทําเพื่อพ่อ <S <S เพื่อแม่เพื่อลูกอะไรก็ตามหรือเพื่อพระศาสนาเนี่ยมันจะมีมันจะมีเป้าหมายมันจะมีหลักยึด แล้วมันก็จ ะ, จะเจริญไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วมันจะสู้มันจะเรียกว่าทุกยากแต่สุขง่ายขึ้ น, นแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะเราจะทุกง่ายสุขยากเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่ถูกใจงไงแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นมีความสุขพรอยให้เรามีความสุขไปด้วย เห็นชัดเลยนะนึกถึงว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใช่ไหมคะ<ช>ที่เราจะใช้กันว่าอย่าคิดแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวใช่ไหมคะคราวนี้ <elevation> ในส่วนของกิจกรรมต่างๆช่วงสงกรานทราบมาว่าอย่างที่วัดประยูระวงศสาวาสก็มีกิจกรรมที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมใจกันด้วยใช่ไหมเจ <im> ้าคะ <im> ท่านเจ้าคุณคือวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนไม่ใช่เฉพาะที่วัดประยูนนะวัดทั่วประเทศเนี่ยฉะนั้นการทํากิจกรรมเนี่ยเราจะยึดหลัก3คําวัดเนีะคำว่าบวร บวอนก็คือบอเนี่ยบอเป็หมายคือบ้านาคือเอกคือประชาชนแล้วก็เอกชนวอเนี่ยคือวัดและรอก็คือโรงเรียนคือราชการทั้งหลายเนี่ยทั้งเอกชนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยกับวัดเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันเราก็มาดูว่าในช่วงสงการานนี่จะทํากิจกรรมอะไรกันด้วยได้บ้างเนี่ยนะก็มายึดหลักในเรื่องของความกตัญญูเรื่องของการตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างมาทำกันที่วัดเนี่ยแต่อย่างในใ น, ในวัด ไปยุโรปองค์สาวาทที่ได้ทำอยู่เนี่ยชุมชนรอบๆหกชุมชนนะทั้งมีชุมชนศาสนาอื่นในนะทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งพุทธเนี่ยเขาจะมาร่วมกันทำกิจกรรมในเรื่องออที่เกี่ยวกับสงกรารอย่างของวัดเนี่ยเราก็จะกำหนดเลยว่าตั้งแต่วันที่ที่จริงเรามีให้คนไปทำบุญตั้งแต่วันที่6จนถึงสงนำพระวันที่16มเมษายนวันจักรที่ผ่านมาแต่ว่าเราทากิจกรรมร่วมกับรอบๆชุมชนอีก ให้ชุมชนเขามาทํากิจกรรมแล้วก็มามาเขาเรียกมาขายของด้วยนะใครก็ตามเนี่ยที่ไปวัดประยูนก็จะได้ไปชิมอาหารได้ดูของอะไรต่างๆเพราะว่าวัดให้ชุมชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมาขายของมาวางจําหน่ายโดยที่เราไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแล้ ว, แ ล, วแล้วเสร็จแล้วใครมาจากไหนก็คือเราก็เชื่อมกับวัดต่างๆในรอบร่ว ม, ร, วมร่วมกันโดยมีการแถลงข่าวไปแล้วนะว่านะนะวันที่สิบสามีสาเมษายนเนี่ย วัดสี่วัดเราจะเป็นพันธมิตรกันในการให้ประชาชนเนี่ยเวียนไหวพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวัดโพนะวัดพระเชตุพนริมฝั่งโค้งน้ําน่ยโค้งน้าตรงนั้นในที่ยาวที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกวัดพระเชตุพนในฝั่งกรุงเทพวัดอรุณฝั่งทนน่ยนะวัดกัลยาและก็วัดประยุนสี่วัดแล้วก็ยังมีท่าน้ําที่ เกี่ยวข้องอีกอย่างท่ามหาราชท่ายอดพิมานลงแล้วก็ไปถึงเอเชียทมันจะมีเรือวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่9โมงช้าถึง4ี่ทุ่มให้คนได้ไปไหว้วัด<ช>ไปไหว้พระที่วัดทำกิจกรรมใน4ี่วัดแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันในทางสังคมในสีท่าน้ำสีวัดเนี่ยเราถือว่าในเมื่อการทำความดีเนี่ยนะ มันก็น่าจะมีเครือข่ายใช่ไหมไม่ใช่ต่างคนต่างทํามแม้กระทั่งจะไปวัดเนี่ยเวลาไปห้างเขายังทําสะพานเดินถึงกันเลยนะ <mauv? S 2> แล้วทําไมวัดเนี่ยจะทําให้คนทําบุญให้สะดวกขึ้นไม่ได้นี <N> ่สมัยนัเนี <N> ่ยมันเป็นยุคยุค 4.0 ใช่ไมใช่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณไปห้างนี้แล้วมันมีสินค้านี้เอาเดินข้ามสะพานลอยคุณก็ไปอีกที่หนึ่งไปวัดประยูนไม่ทําอะไรอ่ะไปไหว้พระเจดีย์ไปรอดพระเจดีย์นะวัดประยูนยังมีเจดีย์ได้รางวัลยูเนสโก้นะ อันดับหนึ่งยูเนสโกเนี่ยมีให้รอดเจดีด้วยเป็นเป็นเจดีอายุร้อยปีเป็นเจดีแห่งเดียวที่คุณลอดได้และเข้าไปได้ก็คือตัดเวลาลอดเจดียนี่ขาเข้านี่เดินเข้านะขาออกทานออกเนี่ยคือตัดไอสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้กับปีเก่าเนี่ยทิ้งไว้เลยนะแล้วปีใหม่ลอดเป็นเกิดใหม่เป็นชีวิตใหม่รอดใหม่แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อพุทธนาคันศัก์สิทธิวัดไหว้พระประธานมีเขามองเขาเต่าให้เด็กไปได้ทํากิจกรรมในนี่นี่ที่วัดประยุทธ์พอไปวัดโพวัดอรุณมันก จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างนี้นะ <c oughs> แหละเราก็ประกาศให้สาธุรชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าวัดกันแล้วก็ไปทีเดียวก็ได้ทั้งสี่วัดที่ว่าแล้วก็สีท่า น, น้ำที่ทมกิจกรรมค่ะช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา ตั้งแต่ก้าวโมงเช้านะที่เรือเขาเริ่มวิ่งรัแลน่นรับโดยสารเนี่ยแล้วก็ไปเขาจะไปหยุดเอาสี่ทุ่มนะทางวัดก็คงจะบางวัดอาจจะปิดก่อนนะแต่ว่าไปกลางวั น, นดีที่สุดนะนะเจ้าค่ะก็ะะนชิชวนทุกท่านนะนะท้ายสุดนี้นะคะอยากให้ท่านเจ้าคุณได้ให้พรกับพี่น้องประชาชนนะคะการนิมนต์เจ้าค่ ะ, นคะในวันสงการานต์แปรซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนปีเนี่ย ก็ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเคลื่อนย้ายตัวเองนะจากความไม่ดีไปสู่ความดีจากความทุกข์ให้ไปสู่ความสุขจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้เป็นสิริมงคลอธิษฐานจิต รับสิ่งใหม่ทำสิ่งที่ดีไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวเองนะแต่เพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อความสุขส่วนรวมและความสุขนั้นก็จะมีผลมาถึงเราเพราะเรามีจิตใจที่เป็นความเป็นบุญเป็นกลลุศลเห็นแก่ประโยชน์สุขของคนอื่นเราก็จะได้ประโยชน์สุขด้วยเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้กว้างให้ใหญ่และเราก็จะเห็นว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุถึงเพราะ ด้วยจิตที่เป็นกุศลนี้คุณความดีทั้งหลายก็จะอำนวยพรให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกคนสาธุค่ะแต่ว่าช่วงท้ายวันนี้นะคะเรายังมีเรื่องดีๆที่ขอแชร์นะคะที่จะพ า, าคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของวันสงกรานต์ค่ะ วันสงกรานถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นช่วงเวลาของครอบครัวและการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและความสนุกสนานโดยคำว่าสงกรานนั้นเป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายเข้าสู่สักราชใหม่โดยมีความเชื่อว่าแต่ละปีจะมีนางสงกรานประจำปีสลับหมุนเวียนกันไป นางสงกรานในปีนี้ชื่อนางมโหธทรเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันเสาร์ทับดอกสามหาาหรือผักตบชวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูนย์ สเสด็จประทับเหนือมยุราปักษษาหรือนกยุงกิจกรรมวันสงกรานต์ที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเมื่อเริ่มเข้าสู่ปีใหม่คนไทยจะเริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งดีๆอย่างเช่นการทำบุญตักบาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและยังเป็นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การก่อเจดีทรายหรือการขนทรายเข้าวัดเชื่อกันว่าเมื่อเราเข้าวัดและขนาดที่เราเดินออกจากวัดอาจมีเม็ดทรายที่ติดไปกับรองเท้าของเราการที่ก่อเจดีทรายเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้ทาบุญด้วยการขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่พระพุทธศาสนานอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัว ที่ได้ร่วมมือร่วมใจการประกอบกิจอันเป็นกุศลการส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อแสดงความเคารพ บ, บูชานิยมส่งน้ำกันด้วยเครื่องหอมซึ่งการส่งน้ำพระศา ส, สนาพุทธใช้คำว่าถาวายเครื่องเทราพิเศษถ้าตั้งใจจะส่งน้ำพระมีจิตศรัทธาให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากมลทินแล้ว ยังจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นเย็นกายเย็นใจอีกด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพรตามประเพณีและการาเร่นเพื่อความสนุกสนานโดยแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นกันตามวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างภาคเหนือสงการล้านนาหรือป่าเวนีปีใหม่เมือง ภาคอีสานนิยมจัดกันอย่างเรียบง่ายโดยเรียกว่าบุญเดือน5หรือตุสงการภาคใต้ตามความเชื่อของประเพณีคือการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเทวดาผู้รักษาชะตาบ้านเมืองและภาคกลางเริ่มต้นในวันที่13เมษาหรือวันมหาสงการโดยแต่ละปีจะมีการจัดงานสงกรารขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขทุกภาคส่วนได้รณรงค์ให้แต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามสืบต่อไป มาประกาศรายชื่อนะคะสำหรับผู้โชคดีสิบท่านที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะคะมีคุณวีระจากกรุงเทพมหานครคุณภูมินจากพระนครศรีอยุธยาคุณบวลาจากจังหวัดสุรินคุณลัดดาวันปทุมธานีคุณสิริพรกรุงเทพมหานครคุณฉลวย จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณยุพินจังหวัดลำปางคุณพรพิมกลกรุงเทพมหานาครคุณสมเกียรตินครราชสีมาและคุณคอังคนาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติใครไม่ได้โชคดีคได้รางวัลสิรางวัลนี้นะคะก็ไปตามห้างที่ท่านตอบมาได้นแหละนะคะเขามีจัดจําหน่ายอยู่นะคะเอาละครัเรื่องราวดีๆนะคะเรามีให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในรายการ N อ็บีมีคําตอบทวันนี้นะคะดิฉันนนุมากเกษตรเพื่อผลคะ่ละ ladies ปาวินาฟักทองต้องลาไปก่อนนะคะหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ